ให้เขาได้มีการเจริญสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีพระพุทธชงองค์มัตให้เขาเนี่ยได้เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นมันตอบแทนเขาด้วยการแนะนําข้อปฏิบัติอันนัน้นแนะนําวิธีกําหนดรู้ทุกวิธีลัสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งเป็นต้นเนี่ยนะก็คือแนะนำธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเป็นต้นนั่นเองพวกเธอเมื่อจะแสดงธงชัยของพระฤาษีผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ ธงชัยก็คือโพธิปัจจคยธรรมเนี่ยนะเพราะว่าพาระฤาษีคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็มีโพธิปัจจคยธรรมเป็นธงชัยเพราะฉะนั้นพวกเธอจงยกย่องพระสัจธรรมยกย่องสติปัฏฐานเป็นต้นเมื่อการงานที่พึงทำทำสาเร็จแล้วการงานที่เธอทั้งหลายพึงทำการงานที่เธอจะต้องทำมีอะไรบ้างการงานเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยหรือกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจ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 เคารพพระพุทธเจ้ามากอะไรมากลหลายหอย่างอะ่ะแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่สั่งให้อะไรไปก็ไม่ทํามีเหมือนกันนะพระมาหากปินาเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหารนะท่านก็เงียบนั่งเข้าสมาธิอยู่มีความสุขสุกเนาะสุขเนาะ ข, ของท่านอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าสอนพระภิสุทหน่อยซีเนี่ยนะแต่ท่านก็เก่งเก่งอ่ะสอนครั้งเดียวบรรลุห้าร้อยอย่างเงี้ยคือคือมีความสามารถถึงขนาดพระพุทธเจ้าใช้ให้สอนอ่ะนะคือเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้แต่ละคนนี่เก่งมากเนี่ยน ะ, ะวิชาสามวิโมก8ดอภินญาหก ปฏิสามทิทาสีเนี่ยมีอยู่ครบถ้วนใน น, น, นั้นคุณธรรมของสาวกทั้งหลายมีอยู่ในท่านเหล่านี้ทั้งหมดแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นต้นและที่สําคัญคือท่านชอบวิเวกแล้วก็ถามว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถามจริงอ่ะแนะนําง่ายหรือแนะนํายากมาเชื่อมาเที่ยวคุยกันเออเนี่ยรักษาศีลกันไหมวันนี้เนี่ยนะเอาไหมอย่างเงี้ยนะโหชวนยากยากเลยนะฟังอริยสั์เนี่ยโอ้ยก็ฟังยากยากแต่ฟังสมุทัยเนี่ยโอย้ชอบเนี่ยนะฟังอะไรฟังเพลงกันนะ คือท่านเหล่านั้นเนี่ยโดยปกติก็ถือว่าอย่างพระอัญญาโกนธัญญาเนี่ยเคยสอนลูกศิษย์อยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของท่านก็เกินไปเหมือนกันสอนยากเพราะท่านบอกว่าอย่าไปครบนะคนเนี่ยครบแล้วเธอไม่เจริญหรอกไม่เชื่อฮะคือคื อ, คอถ้าครบพระอัญญาโกนธัญญาใช่ไหมเรื่องปัจจัยสี่นี่มันสันโดษอยู่แล้วล่ะสำนวนภาษาไทยเรียกว่าถ้าครบพระอัญญาโกนธัญญาก็อดอยากปากแห้งเหมือนกนนะท่านก็ฉันตามมีตามเกิดเพราะท่านมีไม่ได้มีความสุขกับ แสวงหาความสุขจากปลายลิ้นเนี่ยนะท่านไม่ได้แสวงหาความสุขจากลิ้นเนี่ยพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่แสวงหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นไก่ที่เรียกว่าประสาทสัมผัสแต่เป็นคนที่แสวงหาความสุขที่เกิดจากเนกคขมมะสุขที่เกิดจากการบรรลุมักผลสุขที่ไม่มีโทษเนี่ยนะสุขของการเข้าชานปิญญาสมาบัตินู่นทีนี้ลูกศิษย์มันไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ต้องการแสวงหาความสุขจากอาหารอร่อยอร่อยจีวรดีๆงามๆก็เลยอาจารย์ห้ามคบคนใดนี่แหละชอบคบแต่คนนั้นน่ะท่านก็ไปเตือน เตือนก็ไม่เชื่อให้ไม่เชื่อก็บอกเออทางใครทางมันทนหหน่านกะ็เหาะโน่นไปอยู่ให้ช้างเลี้ยงโน่นนะ่ยแต่ด้วยเหตุผลในหลายอย่างนะท่านก็เลยไปอยู่ให้ช้างเลี้ยงในสะฉัดทานนู่นเนี่ยนะพอปรินิพานน่ยท้าสก่ามาเก็บกระดูกให้อะไรไงท่านก็ไปอยู่ของท่านไปคือท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มักน้อยมากแล้วก็สังเกียรตในการคลุกคลีเป็นต้นเนี่ยอย่างยิ่งเพรานพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องกระตุ้นให้ให้ช่วยแสดงธรรมเป็นต้นเนี่ยนะในช่วงยุคแรกๆเลยนะสมัยที่มีพระอรหันต์น้อยเนีย่นย พระพุทธเจ้าจะช่วยกระตุ้นให้พระอรหันตเหล่านั้นแสดงธรรมพอมีพระอรหันตเกิดขึ้นมามากๆแล้วผมไม่ค่อยพูดนะบอกนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพอรุ่นหลังๆมาก็มีแต่พระเสขะกับปุตุชนซะส่วนใหญ่พระเสกขะนี่ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกิจในการสอนไม่ใช่กิจของพระเสขะเป็นต้นเพราะสมัยนั้นเนี่ยก็หน้าที่ของพระอรหันตทั้งหลายซะส่วนใหญ่ถ้ายิ่งศาสนาพระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุยืนแล้วเนี่ยการบวชแม้กระทั่งจะใครจะเป็นอุปชาเนี่ยจะต้องเป็นพระมหาเถระเท่านั้นนะ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 มานก็กราบทูลว่าบ่วงนี้มันเที่ยวไปในอากาศได้นะเป็นของมีอยู่ในจิตสันจรอยู่เราจะผูกรัดท่านด้วยบ่วงนั้นแน่สมณะท่านจะไปไม่พ้นเราที่จริงเขาหาช่องนะพระพุทธเจ้าถ้าอากุศลวิตตกเกิดมาหน่อยเดียวเนี่ยท่านจะท่านจะหาเรื่องเลยแหละ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 ว่าพระสุคต์รู้จักเราอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เสียใจหายไปในที่นั้นแหละเขาเสียใจมากเลยนะว่าพระพุทธเจ้ารู้จักเขาละทีนี้โดยสมัยนั้นพิสุทธ์ทั้งหลายก็พากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชามุ่งอุปสมบทมาจากทิศ ต, ต่างๆมาจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะให้พวกเขาบรรพชาและอุปสมบทเพราะเหตุนั้นพวกพิกษุ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 ในชนบทนั้ น, น, นเธอเสร็จแล้วพระองค์ก็มารับสั่งทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอพึงให้กุลบดบรนประชาอุปสมบทอย่างนี้ว่าชั้นแรกนะวิธีการอุปสมบทว่าชั้นแรกพวกเธอพึงให้กุลบรผู้มุ่งบรนประชาอุปสมบทปลงผมและหนวดให้ครองผ้ากาสาวพัดให้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 ก็คือผู้ทางสารนังฆาชามิทำมังสารนังฆาชามิสังขังสารนังฆาชามิทุติยัมปิตตะติยัมปินั่นแหละก็คือวิธีการบวชของสมัยก่อนแล้วเนี่ยนะเป็นเรียกว่าอุปสมบทด้วยไตราสารณคมตอนหลังก็เพิ่มตอนที่ราธะมาบวชก็ให้เลิกบวชแบบไตราสารณคมไตราสารณคมนี่เป็นวิธีการบวชสัมมณเณรเนี่ยนะสมัยใหม่เนี่ยสารณคมก็เป็นวิธีการบวชสมมณเณรอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ย ในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับอุปสมบทสักเล็กน้อยเนี่ยนะเดี๋ยวลุงเรืองก็จะบวชละอ่านให้ฟังเขาหน่อยก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายคนที่ถูกอาพาธห้อย่างเบียดเบียนอันท่านทั้งหลายไม่ควรบวชให้ดังนี้จนถึงอย่างนี้ว่าคนตาบอดหรือคนใบ้คนหนวกท่านทั้งหลายก็ไม่ควรบวชให้แล้วก็เว้นจากพวกที่บรญประชาโทษทั้งหลายหรือผู้ที่ผู้ที่จะบวชนั้นจะต้องอันมารดาและบิดาอนุญาตแล้ว ลักษณะแห่งการอนุญาตซึ่งบุคคลผู้สมควรนั้นเดี๋ยวจกอธิบายข้างหน้าต่อไปโน้นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตอนันท่านทั้งหลายไม่ควรให้บวชภิกษุใดพึงให้บวชภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่บวชไม่ขึ้นนะบวชขึ้นแต่ว่าอุปชาเนี่ยเป็นอาบัติเนี่ยนะอุปชาเนี่ยมีโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าแสดงคืนไม่ได้นะเหมือนกับว่าถ้าอุปชาใดให้บวชอุปชานั้นถูกปรับเังไงนะแปลว่าถูกปรับอนะ เป็นอาบัติก็เหมือนก็เรียกว่าถูกปรับนั่นแหละก็แหละเมื่อให้กุลบุตรผู้เว้นจากบรรประชาโทษที่มารดาบิดาอนุญาตแล้วอย่างนี้ถ้าว่ากุลบุตรนั้นยังไม่ได้ปรองผมและพิสูจ์แม้เราเอินมีอยู่ในสีมาเดียวกันก็บอกพันตุกรรมเพื่อประโยชน์แก่การปรงผมการบอกพันตุกรรมนั้นข้าพเจ้าจักพานนานในสูตรนี้ว่าพิสูจ์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุบอกเล่ากระสง์เพื่อทําพันธุกรรมถ้าไม่มีโอกาสก็พึงให้บวชเอง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 สารณอุปชาพึงให้เองนะนะกลุ่บทนั้นเป็นอันภิกษุนั่นเองให้บวชแล้วด้วยประการชนี้จิงอยู่คนอื่นจากภิกษุไม่ได้เพื่อจะให้บุรุษบวชคนอื่นจากภิกษุณีไม่ได้เพื่อจะให้มาตุคามบวชเหมือนกันหมายค่ะว่าภิกษุสามารถบวชให้ผู้ชายได้และภิกษุณีเท่านั้นจึงจะบวชให้ผู้หญิงได้ส่วนสัมมาเนรหรือสัมเนรีได้เพื่อจะให้ผ้ากาสายะตามคําสั่งผัสสัมมาเนเนี่ยสัมมาเนจะไปบวชให้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 แล้วถ้าแต่งไปปีเดียวกว่าเนี่ยนะว่าโอ้โอยากไปเห็พนพลนพ้เหลือเกินฮะตอนแรกกับตอนหลังไม่ได้คิดเหมือนกันแลนะ้วเนาะมันก็บอกว่าไอ้ความต้องการของผู้ที่จะบวชนี่ก็ถือรุนแรงและไอ้ไอ้ตอนบวชนี่รุนแรงฉันใดแล้วตอนศึกมันก็ไม่ได้น้อยกับ น, นั้นหรอกบางทีมากแต่ตอนบวชอีกด้วยซ้ําไปเนี่ยนะจะตายให้ได้เลยแหละถ้าไม่ได้บวชของมันทีนี้พูดถึงว่าผู้ที่มีอุตสาหะใคร่จะบวชเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการรุนแรง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 ฝ่ายกุลบุตรที่ยังเป็นเด็กนะนะเด็กย่อมอุปชาก็ลงน้ําขัดสีอาบน้ําให้นะขัดน้ําให้เองเลยแหละถ้าว่าเขาเป็นหิดด้านหรือเป็นฝีอยู่บ้างมารดาไม่เกลียดบุตรฉันใดอุปชาไม่พิงเกลียดฉันนั้นนั่นแหละเพิงให้อาบขัดสีตั้งแต่มือและเท้าจนถึงศีรษะเป็นอันดีถามว่าทําไมอุปชาต้องทําขนาดนี้ตอบว่าเพราะว่าด้วยอุปการะเพียงเท่านี้กุลบุตรทั้งหลายจะเป็นผู้มีความรักมีความเคารพอย่างแรงกล้าใน อาจารย์และอุปชาและจะมีความรักอย่างแรงกล้าในพระาศาสนาจะเป็นผู้ไม่หวนกลับเป็นธรรมดาพันใจก็เครียกว่าถวายชีวิตให้าศาสนาเลยแหละ<ม>ท่านก็จะบรรเทาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเสียอยู่จนเป็นพระเถระจะเป็นผู้ที่กตันอยู่กะตะเวทีเพราะท่านเหล่านี้แหละต่อไปอนาคตจะคอยปรนิบัติเมื่ออุปชาอาจารย์แก่เท่าป่วยชาราเป็นต้นเนี่ยนะ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 น่ต้องบอกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่สะอาดอย่างไรน่าเกลียดอย่างไรปฏิกูลอย่างไรแต่ละอย่างมีสีมีสันฐานมีกลิ่นมีที่อาศัยโอกาสเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็บอกว่าข้อที่ส่วนทั้ง5นั้นไม่ใช่ผู้เป็นอยู่ไม่ใช่สัตว์ก็แปลว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะนิสัตโตนิชีโวสุนโยปุโคโรเนี่ยนะคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละก็เป็นแต่ผมปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเฉดเป็นต้น ถ้าว่าในการก่อนเขาเป็นผู้เคยพิจารณาสังขารเจริญภาวนามาเป็นเหมือนฝีที่แก่เต็มที่คอยรอการบ่งด้วยน้ำและเป็นเหมือนดอกประทุมที่แก่รอคอยพระอาทิตย์ขึ้นทีนั้นเมื่อการพิจารณากรรมฐานสักว่าเขาปรารบแล้วยานก็จะบทกิเลสเพียงดังภูเขาให้แหลกไปนั่นแลย่อมเป็นไปราวกับอาวุธของพระอินทร์ ทำลายแล่งภูเขาให้แหลกละเอียดไปฉะนั้นเขาย่อมบรรลุเป็นผ้าอหัน์ในเวลาปลงผมเสร็จทีเดียวอย่างที่ได้ยินบ่อยๆว่าผู้ที่สั่งสมบุญเจริญกรรมฐานมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะโกนผมครั้งแรกจกแรกก็โสดาบันจุกที่สองก็เป็นพระสกท า, าคามีจุกที่สามก็เป็นอนาคามีเสร็จผมก็เป็นผ้าอหันทีเดียวเลยนะก็มีเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยจริงอยู่แต่แรกทีเดียวกุลบุตรเราใดเ่าหนึ่งได้สําเร็จเป็นผ้าอหัน์ในขณะปลงผม กลบทเหล่านั้นทั้งหมดก็ได้ฟังเห็นป่านนี้อาศัยนิยะซึ่งอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรแนะนําให้เพราะอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรก็แนะนำแต่จะปัญจกะกรรมฐานแนะนําสั่งสอนผมขนเล็บฟันหนังโดยว่าเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียบปฏิกูลว่าสีเป็นอย่างไรสันถานเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงที่อาศัยเป็นอย่างไรโอกาสเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะท่านอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรบอกกล่าวแนะนําวิธีเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาให้ได้สําเร็จ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 ถ้าจะสอนเขาก็สอนกรับรมาฐานยอย่าไปคุยเรื่องอื่นทั้งนั้นแหละอันหนึ่งเมื่อปลงผมเสร็จแล้วควรใช้ขมิ้นผงหรือกระแจะทาศาีรษะแล้วก็ร่างกายกําจัดกลิ่นเครื่อหัตเสียแล้วให้รับผ้ากาสายะสามครั้งหรือ2ครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้ถ้าว่าอาจารย์หรืออุปชาจะไม่มอบให้ในมือเขาก็จะนุ่งห่มให้เองทีเดียวก็สมควรก็เลยไปช่วยนุ่งผ้าให้ลูกศิษย์เลยแหละว่างั้นตอนแรกนุ่งไม่เป็นใช่ไหม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 ความเพียนโยนิโสสั ม, มประธานเนี่ยนะเพียรโดยชอบอย่างถูกต้องและแยบคายใส่ใจถูกต้องด้วยเพียรอย่างแยบคายด้วยจึงได้บรรลุอนุตตรวิมุตติทำอนุตตราวิมุตติให้แจ้งแม้พวกเธอก็บรรลุอนุตตรวิมุตติทำอนุตตราวิมุตติให้แจ้งเพราะอะไรเพราะ โยนิโสมน ส, สิการเพราะโยนิโสสมัมมาปาทานเนี่ยนะก็คือเพราะโยนิโสมนา ส, สิการการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคายและถูกต้องเพราะความเพียรโดยเย็บคายและถูกต้องจึงบรรลุ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 มานั้นผู้มีบาปก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารู้จักเราพระสุคตเจ้าทรงรู้จักเราดังนี้เป็นทุกข์เสียใจหายไปนั่นแหละมานี่แปลกนะกลัวคนอื่นก็รู้จักตัวพราะเขาบอกว่ารู้จักตัวเป็นใครแล้วก็เห็นแล้วครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระนครพารันศีตามพุทธาพิรมเนี่ยนะก็อยู่ในเรื่อยๆจนหลังออกพรรษาไปพนะระองค์ก็เสด็จจาริกไปโดยมรกาอันจะไปสู่ตําบลอุรุเวลา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 พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุปุภิกถาแก่พวกเขาประกาศฐานากถาสีลกถาสักขะกถ า, าโทษความต่ำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสง์แห่งเนกขมมะเมื่อพระองค์ทรงทราบ ว, ว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบานมีใจผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายส่งยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุก์สมุทยัยนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมณทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้ว้แต่มีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่เขาณนะที่นั้นนั่นเองเนี่ยนะเรียกว่าตามหาผู้หญิงได้โสดาปฏิมักมาเออเจ้านะดุดผ้าที่สะอาดปราศจากทุลีควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น พวกเขาได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมะอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมะอันยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้ ก, ล, กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค้าพวกข้าพระองค์เพิ่งได้บรระชาเพิ่งได้อุปสมบทในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ก็ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสต่อไปว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถอพระวาจานั่นแลเป็นคำอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นก็บอกว่าใน30รูปเนี่ยนะรูปสุดท้ายเนี่ยเป็นพระโสดาบันหัวหน้าเป็นอนาคามีก็ระหว่างโสดาบันถึงอนาคามีเป็นพระเสขะทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครเป็นผ่ารหัน ทีนี้พอให้ท่านเหล่านั้นบวชเสร็จก็ส่งไปส่งเคราะหสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ส่งไปโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายส่วนพระองค์เองก็เสด็จไปจนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมก็ตำบล น, นี้ก็คงตอนบ่ายนะ